บุกทูเจ็ดสิบสองเซเ็กตูต้องเดวิฟาริออนต้องเดวิดิฉันต้องส่งจดหมายมีเดวสเซนดีลาเลเทรอน ที่ฉันต้องจ่ายค่าโรงแรมคุณต้องตื่นแต่เช้าคุณต้องทำงานมากคุณต้องตรงเวลา เขาต้องเติมน้ำมันลีเดวัสเลนีจเบนซินนุยเขาต้องซ่อมรถลีเดวัปารีแล a เออตเขาต้องล้างรถลีเด ว, วัสลาวิและเออตเธอต้องซื้อของชีเดว a สอัจจต เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เธอต้องซักเสื้อผ้า la เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ i i เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ เราเราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้พวกคุณต้องรอรถเม์พ ว, รรมพวกคุณต้องรอรถไฟพวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ พีเดวาสอดทนดีลั a ักซิออน